อาจารย์ครับการนมัสการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครับที่หนึ่งร้อยหกสิบแล้วครับพระอาจารย์ครับประชาคนไปใส่บาตกันเยอะไหมครับผมสี่ร้อยสี่สิเอดคนโอ้มาเช้าเยอะอะครับะอาจารย์เอผลไม่โกครับัครบผมแล้วก็วันนี้ผม โอกาสพระอาจารย์มณิทถามคําถามบรรมตส์หน่อยนะครับเดินวิธีเดินออกจากการเวียนไหวตายเกิดคับพระอาจารย์ครับครับข้อความเม็นอรอาจารย์ครับผมกอวิธีออกก็คือมรรคแปหรือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาอันนี้แหะคือทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนไหวตายเกิดถ้าเป็นคารวะพระเจ้าก็เพิ่ม ทานเข้าไปเพราะคารวะยังมีเงินอยู่แล้วนวดยาเงินไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกเนื้องายซึ่งถ้ายังหาความสุขทางกายอยู่ก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะต้องมีร่างกายในการหาความสุขแล้วเอาเงินที่ไปซื้อความสุขเช่นไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟื อ, อยต่างๆเอาไปทําบุญทําทานแทนจะได้ความสุขแบบ แบบอีกแบบหน่งความสุขที่เกิดจากการให้แบ่งปันเสียสละแบ่งปันจนกว่าจะสละเงินทองไปหมดอย่างพระพุทธเจ้าก็สละรน่าจะสมบัตินี่แล้วก็ไปบวชที่นี่พป บ, บวชก็ไปถือศีลไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิก็ะศีลตั้งแต่ศีลของนักบวชตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไป สินแปดสิน 10, สิบสินสอง้อยิบเจ็ดเนี่ยเพราะต้องจัดต้องละเว้นจากการเสพกามเนี่ยการเสพกามนี่หมายถึงการต้องต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายต้องมีร่างกายถ้ามีร่างกายมันก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยถ้าต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการห า, าพวามสุขเราก็ต้องตัดกามมาสุกไปนักบวชเนี่ไม่เสพกามใช่ไหม เราจะได้มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากการมาสุขมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบ พ, พอใจสงบก็ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งร่างกายพึ่งสติพึ่งปัญญาแทนพอเราได้ได้ความสงบความสุขจากความสงมบของสมาธิ ในเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ละความอยากต่างๆที่ยังไม่ได้ละเพราะอําอนาจของสติหรือสมาธินี้เพียงแต่กดความอยากเอาไว้ความอยากพระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นต้นเหตุขอ ง, ของความทุกข์ของการกลับมาเวีนว่ายตาเกิดจึ่นการมาชันท่าความอยากเสียรู้เสียงเกิดลด คนที่ได้สมาธินี้ยังไม่ได้ละ ก, กามะฉันทะนะเพียงแต่กดเอาไว้ในช่วงที่เข้าสมาธิที่เรียกว่าเห็นทับหญ้าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญกเวลาเห็นไม่ทับหญ้าหญ้าก็จะไม่งอกขึ้นมาแต่พอเวลาเอาเห็นออกจากหญ้าไปที่ไม่สักระยะหนึ่งพอหญ้าได้น้ำได้แดดมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่เพราะล่าของญ้ายังไม่ได้ถูกกาจัด เช่นเดียวกับล่าของของการมาตัญหาคืออวิชาโมหะยังไม่ได้ถูกกมจัดต้องใช้ปัญญาถึงจะเป็นผู้ที่จะกมจัดความอยากต่างๆได้ปัญญาก็คือปัญญาที่พระชจ้าได้ทรงตรัสแล้ในอริยรรสัจสี่ว่าความอยากนี้จะนำให้ไปสู่ความวุ่นวายใจเวลาเราเกิดความอยากใจเราจะอยู่ไม่เป็นสุขนะหมดเย็นมันค้าใจนะ แล้วพอเราไปทําตามความอยากมือนก็ระงับชั่วคราวแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากใหม่ก็ผล่ขึ้นมาอีกเช่นคนที่อยากสูบบุหรี่หรือยากดื่มสุราเวลาไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบสก็รู้สึกงุนงงนะแต่พอพอได้ดื่มได้สูบปั๊บมันก็อากา ร, รเงุนงงก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็พอหมดพอพอหมดวทิ์ของบุหรีแลรืของสุรามันก็เกิดความอยากเช่นเดิมขึ้นมาใหม่ อยากจะสูบไปมันก็ต้องสูบไปเรื่อยๆสูบไปจนวันตายเดิมไปจนมันตายตา ย, ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่เพื่อกลับมาเดิมใหม่นั่นคือเล่ห์ของความอยากมันไม่สามารถทําให้เราอิ่มให้เราพอไนดะ้แต่การที่เราหยุดความอยากได้นี่มันทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราเย็นใจเรามีความสุขเมอเราเห็นด้วยปัญญาเห็นโทษของความอยาก เป็นงการความอยากเราก็หยุดมันเราหยุดมันได้เพราะเรามีสมาธิเราก็หยุดมันด้วยสติพอการความอยากขึ้นมาแล้วเราก็หยุดมันได้แต่ทีนี้เราหยุดด้วยเหตุผลเรารู้ว่าเราไม่ควรทําตามความอยากเราได้ปัญญามาคนที่ไม่มีปัญญาก็จะคิดว่าการทำความอยากนั้เป็นวิธีตอบสนองความสุขให้หาความสุขให้กับเราเพออยากได้อะไรก็ต้องไปหามา ให้พอได้มาแล้วก็จะมีความสุขแต่มันมีความสุขชั่วคราวแล้วสักพักน่งสิ่งที่ได้มามันก็หมดหมดประสิทธิภาพที่จะให้ความสุขกับเราเราก็ต้องหาใหม่ของใหม่มาเสพเรืเนะ่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้เพราะของลรานี้มันธรรมชาติมันไม่สามารถให้ความความอิ่มความพอแก่ใจได้มันมีแต่จะเพิ่มความหิวความอยากให้อยู่เรื่อยๆ ให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่เที่ยงให้ความสุขแบบชั่วชั่วครัง้งชั่วคราวไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขของเราได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลาความสุขที่เราจะได้เต็มที่ตลอดเวลาก็คือความสุขที่เกิดจากการปราศจากความอยากนี่พอเรากําจัดความอยากได้หยุดความอยากได้ไม่ตอบสนองความอยากความอยากมันก็จะหม ด, ดไป เอาหมดนี้ไปใจก็เหมือนเข้าเข้าไปในสมาธินโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเพื่อรับความอยากแต่ที่เรารับความอยากด้วยปัญญานั่นด้วยกําลังของสมาธิที่เราได้ฝึกฝนอบรมไว้พอเรารู้เกิดความอยากล้วก็อยากไปทําตามความอยากอยากจะสู่ผลดีก็ไม่สู่อยากจะดื่มสุราก็ไม่ดื่มอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปไม่ไปอยากจะไปเสพร่วมหลับนอนกับใครก็ไม่ไป ตัดหมดด้วยปัญญาพอตัดได้นั่นมันก็มันก็จะหมดกาลังไปแล้วต่อไปความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดความอยากที่จะพาเรามาเกิดในกรรมาพบรู้มาพบเรื่องมาพ บ, ก, าพบก็จะหมดไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเวีนว่ายตเกิดอีกต่อไปนี่ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ถ้าเรายังเป็นขาา้าราวการยังใช้เงินทองซื้อความสุขอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีอย่าใช้เงินทองซื้อความสุขถ้าอยากจะใช้เงินทองซื้อความสุขก็เอาไปทํทาบุญทาทานแทน<อ>แล้วต่อไปความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความสุมสขก็จะหมดไปเราก็จะเลิกหาเงินหาทองนั้นเมื่อเราเลือกหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลาไปบวชได้ การี่เราไ่บวชไม่ได้เพราะเราต้องหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆพอดีแล้วเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆแต่พอเราเลิกใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆแต่ไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินทองเราเพราะเราไม่มีความอยากใช่ไหมหาความสุขจากการใช้เงินทองแล้วก็ไปบวชได้ไปบวชแล้วเราก็ได้ ป, ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มเต็มที่ถ้าเรามีศีล ไม่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องการเสียรูปเสียงกลื่นนัต่างๆเราก็จะมีเวลามันเจริญสติมานั่นสมาธิทําใจให้สงบให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบหยุดความอยากชั่วขา่าวพออยากสมาธิมาความอยากที่ถูกสมาธิเกิดไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็ให้ปัญญาสอนใจว่าการทําตามความอยากจะพาเราไปสู่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะความอยากเวลาเกิดขึ้นในใจนั้นมันจะทําให้ใจเราไม่สบาย ทำใจเรารู้องเงินเย็เศร้าซร้อยห้อยเหงาว้าวะเลยแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้อาการต่างๆนี้ก็จะหายไปหมดใจก็จะสงบเหมือนกับเข้าไปในสมาธิสงบด้วยปัญญาหยุดได้ได้วยปัญญาสอนให้หยุดความอยากแล้วสมาธิที่เรามีก็จะมีกําลังหยุดความอยากได้ตอนนี้ญาตโยมที่ไม่มีสมาธินี้ ถแม้จะได้มีปัญญาจากพระเจ้าว่าความอยากที่เป็นเหตุที่ทําให้เราต้องทุกข์ต้องเราวุ่นวายใจมีความผิวอยู่ตลอดเวลาเราก็ยังหยุดความอยากไม่ได้ถ้ า, ายังติดสุราอยู่เราก็ยังหยุดหดสุราไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังหยุดเราต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้มีให้หยุดให้หยุดจิตให้ได้หยุดทําจิตให้แนงให้สงบหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ถ้าเราหยุดได้ด้วยสตินะ ขั้นต่อไปแล้วก็มาใช้ปัญญาสอนใจบอกเหตุผลว่าทำไมเราต้องไม่ถันตามความอยากเพราะความอยากจะพาให้เราต้องไปดิ้นรนต่อสู้หาสิ่งต่างๆมาตามสนองของความต้องการของความอยากทได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ เมื Holy. ่ไม for er. <inizi give up help> ่ม <to> <you> ีความอยากก็ไ anyway, ม no ่ม euh. ีการที่จะกรรมมาเกิดในไตพวกลดต่อไปไม่มีการมัดทันทันหาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบไม่มีภวะทันหาความอยากเสพรูปปัจจานมันก็จะไม่มีมันก็ไม่กลับมาเกิดในรูปปัจจบไม่มีความอยากจะเสพรูปปัจจานมันก็จะไม่กลับมาเกิดในอรูปอารูปปัจบต่อไปใจก็จะอยู่ที่พัญญานิพน ใจเป็นพนายในิายานใจที่นิ่งสงบ ม, มีความสุขในตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกก็คือพายในิายานเป็นใจที่กําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนะแล้นะไม่มีความอยากแล้วใจก็ไม่ต้องไปหาอะไรนะใจอิ่มใจพอตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลา อาจารย์ครับตอนที่เราหยุดความอยากด้วยปัญญานะนีน้สภาวะในใจนั้นเป็นเหมือนตอนนั่งสมาธิเลยไหมครับใช่มันก็เหมือนกับว่าอาจิตนิ่งจิตเวลาออกจากสมาธิมาสิ่งที่ ม, มาทําลายครับนิ่งสงบของจิตก็คือความอยากนี่ เ, เกิดความอยากใจที่นี่งก็จะกระเพิ่มขึ้นมาเกิดความรู้สึกอกระตือรือรนเกิดความรู้สึกออะไรอยากจะทำโน่นทํานี่ขึ้นมา แลพอไม่ได้ทำมันก็ิเกิดอาการหงุดหงิดเพิ่มขึ้นไปใหญ่แต่พอไปทํามันก็ทําให้อาการหงุดหงิดหายไปชั่วคราวเหมือนกลับเข้าไปในสมาธิแต่มันกลับไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็ผล่ขึ้นมาอีกหลักการถ้าเราัสกัดความอยากหยุความอยากมันก็จะไม่ตายมันก็จะผล่ขึ้นมาแน่ๆแต่ถ้าเราสกัดความอยากได้ไม่เห็นไม่ผลของปัญญาว่าทําตามความอยากไม่ได้ เพราะการทำตาัความอยากนําไปสู่ความทุกข์นำไปสูกปส่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็ต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากออไฟในกุฏเร่อนดับซะนะไม่ใช่เอามาหม่แนละ้วครับ<ข>ตอนนี้มี อ, อ, อยู่ PS เครื่องมันยันไม่ดับมาอ๋อครับผมอยู่อยู่ PS ไมนกันดีอย่างเนี้ ไฟดันจังหวนมันไม่ค่อยแน่นอนบางทีมันก็มันก็ตกมันก็ดับไปถ้าไม่มี UPS มันเดงก็ดับหมดเลยเครื่องก็ดับใช่ครับมีโฆษณาให้คนที่ไม่เคยใช้ UPS รู้คุณค่าของ UPS ครับถ้าใช้นอตบุก็ผมใช้นอตบุกมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมนมีบัตรีิสก์องเราอยู่ไงใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เหมือนกับมี UPS อยู่ในเครื่อง คระอาจารย์ครั บ, ลลรรบแล้วอย่างนี้เวลาที่เราจะใช้ปัญญาตัดความอยากไปเรื่อยๆเนี่ยเราเราตัดไปเรื่อยๆหรือว่าเราต้องนั่งสมาธิไปด้วยกันครับก็สลับกันไงเราก็นั่งสมาธิคอยช้าดแบบคอยช้าดกาลังแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาพอเราไปเจอเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดความอยากเราก็หยุดมัน ไ, ได้เช้งนั้นเราไปขั้นแรกเราจะไปเจอเหตุการณ์คือความ ภัยที่เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นเจอโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดชามแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บใจแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเราก็ค้นหาสาเหตุความทุกข์ใจพันเกิดจากความอยากหายอยางไม่เจ็บนะไม่มีใครอยากเจ็บไข้นแน่ยป่วยเราก็ต้องดูว่าแราักษาได้หรือเปล่าถ้าเป็นรักษาไม่ได้อยากไปอยากให้มันหายมันก็ทุกข์ไปเปล่าๆก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นอนินจังเห็นได้ปัญญาว่าเป็นอนินจังแล้วถ้าไปอะหยัดให้มันเป็นนิจจังอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาเวลาริ่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้ายอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยยอมอยู่กับมันหรือยอมรับความตายถ้าเป็นโรคที่ยังต้องถึงแก่ความตายเช่นเป็นโรคมะเร็งแล้วหมอก็บอกว่าไม่เดี๋ยวไม่เกินหกเดือนี้ก็ต้องยอมรับความจริงยุดความอยากไม่เจ็บยุดความอยากไม่ตาย ด้วปัญญาพอเราหยุดความอย่ากไม่ไม่เจ็บไม่ตายใจเราก็ไม่ทุกข์ใจเราก็สงบหรืออยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิไปถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิหนบเข้าไปในสมาธิก่อนเวลาใจทุกข์แล้วไม่รู้จะหยุดความไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ในสมาที่พระเจ้ายังไม่ตัดสโลนไม่มีการรู้สาเหตุของความทุกข์ใจเวลาออกออกจากสมาธิมา เวลาไปสัมผัสกับเรื่องที่ไม่ถูกใจก็อยากจะอยากจะให้มันหายไปแต่มันก็ไม่หายมันก็ทําให้ทุกใจวิธีที่จะทําให้ไม่ทุกใจก็หลบก็ไปเลยสมาธิแต่มันยังไม่ได้ไปแก้ตัวปัญหาคือตัวความอยากเพราะยังไม่รู้ว่าตัวความอยากนี่มันเป็นตัวที่เป็นตัวปัญหาตัวที่สร้างความทุกใจให้ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ อาจารย์ครับมีคนถามว่าความยึดติดจะแก้ไขยังไงครับเพราะฉะนั้ย น, นะเพราะมันก็เกิดจากความหนองเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เรายึดติดมันให้ความสุขกับเราแต่มันให้ความสุขแบบชั่วคราวมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยล ม, มันดีขึืนดีมันก็ จ, จะจากเราไปได้พอมาจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจเพราะความอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปไม่อยากให้เขาจากเราไปมันทําให้เราทุกข์ใจ ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆสอนใจเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไป็ของชั่วคราวไม่ควรยึดติดเพราะถ้ายึดติดแล้วเวลาเขาจากเราไปจะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจแต่เราจะไม่ยึดติดได้เราก็ต้องเป็นสมาธิมีกําลังของสมาธิ ถ, ถึงจะปล่อยวางได้เพราะเวลาเราเข้าสมาธิเราปล่อยวางทุกอย่างเวลานั่งสมาธินี่เราหลับตาพุโทโธพุโทโธดึงใจเข้าไปนี่เราปล่อยวางหมดรูปเสียงเกิดลดผุดแต่พระ ปล่อยวา ง, างราดมุตสันนสเอนปล่อยวางร่างกายปล่อยหมดทุกอย่างอยาไม่ยุ่งแล้วเข้าอยู่สู่ภาพสงบแต่พอเราออกจากสมาธิมาปั๊บกินเหรียญตันหามันก็หลอกให้เราไปยึดติดทันทีตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาแกะแกะให้มองเห็นสิ่งนั้นยึติดนี้เป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็วลามันเปลี่ยนไปหรือเวลามันหมดไปมันมก็จะทําให้เราทุกข์ได้ ถามต่อว่าอาวิชชาคืออะไรครับอาจารย์ครับก็เน่ความไม่รู้เรื่องรา เ, รเนี่ยไม่รู้ว่าริยสัจสีไม่รู้ใจนะไม่รู้ความเจ้าของเราเนี่เกิดจากความอยากานะครนบความอยากไม่รู้วิธีแก้ความทุกข์ของเราว่าต้องแก้ด้วยสติปัญญาของตัวนี้สติสมปาทิปัญญาคุณดําครับบอกว่าธรรมะกับการลงทุนหุ้นไปด้วยกันได้หรือไม่ครับ ว่าธรรมะก็มันก็มีหลายระดับเยธรรมะธรรมะผู้ที่ยังอยู่ในนอกก็ใช้ธรรมะก็คือเหตุผลไงทำอะรก็ให้ใช้หลักหลักการอย่าไปใช้ความใช้อารมณ์เพราะถ้าใช้อารมณ์นี้มันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้มากแทนถ้าใช้หลักการใช้หลักตกรรกะวิทยาศาสตร์นจะซื้อหุ้นก็ต้งรู้ว่าหุ้นนี้มีมี อ, อ่ามี มีผลประโยชน์นรับได้มากน้อยเท่าไหร่มีความเสี่ยงเท่าไหร่ไม่ใช่ซื้อไปตามความรู้สึกชอบอันนี้ก็ซื้ออันนี้ไปอย่างนี้อ น, นี้แ่บซื้อแบบไม่มีธรรมะซื้อแบบไม่มีเหตุมีผลันที่จะซื้อเล่นหุ้นอั <c oughs> นนี้เาต้องเล่ น, นมันต้องมีการมีมีหลักการ ม, ม, มีมีวิชาการเขาต้องศึกษาหุ้นแต่ละหุ้นก่อนก่อนที่เขาจะลงทุนว่า จะให้ผลตอบแทนเขาได้หรือไม่มีเขา ม, มีความเสี่ยงมากร้อยเพียงไรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นธรรมะผู้ถามบอกว่าแล้วฝึกจิตขณะเห็นหุ้นตกจิตก็ทุกหุ้นขึ้นจิตก็สุขบางทีหุ้นขึ้นก็ทุกอีกเพราะอยากให้ขึ้นไปอีกดูความไม่เที่ยงของจิตหรือต้องเลือกทางใดทางหนึ่งครับเราก็ต้องดูว่าธรรมชาติของหุ้นมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันมีขึ้นมีลง ถ้าเรายังไม่ทุกก็เราต้องทําใจว่ายอมให้มันลงเวลามันจะลงก็ปล่อยมันลงไปยอมขาดทุนถ้าจะคิดว่าจะเอากําไรอย่างเดียวมันเวลาขาดทุนมันก็ทุกขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเล่นหุนนานาา่นเก็บเงินไว้ในธนาคารกําไรเอ้วเก็บไว้ในบ้านเก็บไว้ใน ต, ตู้ตู้ที่ปลอดภยัยแล้วก็จะมันก็จะไม่สูญเสียอะไรไปแล้วก็จะไม่ขาดทุนแต่ก็จะไม่กําไร ถ้าเรามีธรรมะเราก็มากน้อยสันโดษก็ไม่ต้องไปเล่นหุน้นเางวันที่มีอยู่เก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครัตูกเซฟอะไรที่ปลอดภัยเก็บไว้หรือถ้ามีธนาคารที่ไหนมันเขามีรับประกรันว่าไม่ไม่สูญเงนินที่ฝากงี้เราก็ไปฝากที่ธนาคารเหล่านั้นก็ได้แต่เราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ผลตอบแทนมากอาจะได้ดอกเบี้ยต่ําแต่ความปลอดภัยมันมากกว่า เมความปลอดภัยมากบกความทุกข์มันก็จะน้อยลงนถ้ามีความเสี่ยงมากความทุกข์มันก็จะมีมากเวลาเกิดมันเสียขึ้นมาคุณเหมาราถามว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วไม่คิดจะรักษาเพราะไม่มีห่วงจะต้องทำยังไงกับเวลาที่เหลือครับก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะทำอะไรมันก็มันถ้าถ้าคิดว่าอยากจะ ทำให้ใจไม่ชุกกับความความเจ็บไข้ในป่วยความตายก็ต oh <yeah. S 2> ้องไปฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สมองเราใจก็จะไม่ชุกกับความเจ็บความตายได้แต่ถ้าไม่ทุกอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรหรือว่าคุณไม่ไม่กลัวความเจ็บคุณไม่กลัวความตายความที่จะเจ็บความที่จะตายก็ไม่ต้องทําอะไรก็แสดงว่าคุณคุณหลุดพ้นในระดับอยู่นะอย่างน้อยก็ระดับขั้นพระสวสดิมาแล้นะ พระโดาบันนี่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายอยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความตายได้คุณแว่นครับพยายามฝึกรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเช่นโกรธก็รู้ว่าโกรธแต่พอรู้แล้วความโกรธก็ยังกลับมาอีกก็รู้ว่าโกรธอีกไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ก็ยังดับความโกรธไม่ได้จะทําอย่างไรครับเราเป็นทิ้งวิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเนี่ยวิธีที่ถูกต้องเราไม่เราไม่ใช้ความโกรธเป็น อารมณ์เราต้องใช้อย่างอื่นใช้กรรมฐานอย่างอื่นเช่นใช้ดูดูดูใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อหยุดความคิดความปรุงแต่งความอยากความโกรธต่างๆถ้าเราไปดูความโกรธแล้วเราหยุดความโกรธไม่ได้มันไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความโกรธวิธีดับความโกรธต้องใช้คําบริกรรมพุทธานุสติเวลาโกรธก็เราพุทโธพุทโธไปมันจะทําให้เราลืมเรื่องที่เราโกรธได้ เราในเรื่องที่เราโกรธความโกรธก็จะหายไปชั่วคราวเแล้วถ้าอยากจะแก้ความโกรธอย่างถาวรแล้วต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากเองอยากไห้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอไม่อยากพอไม่ได้ก็โกรธโกรธคนที่ขัดขวางเราแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้อะไรจากเขาเราก็จะไม่โกรธเขา เขาจะให้เราหรือไม่ให้เราเราก็ไม่โกรธเขาเพราะเราไม่ต้องการอะไรจากเขาแต่ถ้าเราต้องการแล้วเขาไม่ให้เราเราก็จะโกรธเขาเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุต่อไปนี้อยากไปอยากได้อะไรจากเขาแล้วต่อไปเราจะไม่โกรธเขาสังเกตดูเลยคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ให้โกรธเขาเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาแต่คนที่ใกล้ตัวเรานี่มักจะโกรธเขาง่ายเพราะเรามักอยากย้ายเขาทําอย่างนั้นทาอย่างนี้เราก็ไม่ทํำเราก็โกรธขึ้นมา การที่ลูกไม่ส่งเสียเลี้ยงดูเราจะเป็นบาปต่อลูกไหมครับไม่บาปต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บุญเพราะไม่มีความกระตันอยู่ทำทางานในที่ทำงานมีคนมา ว, ว่ามนว่ากล่าวเป็นประจาต้องทำอย่างไรครับก็ทำใจใว่าเราอยู่ในโลกของสารเสริอนั่นยินทาเป็นของคู่กันนะ ม, มีสารเสริอ็ลมียินทาสลับกันไป บาทีเขาก็สรนเสริญเรายกย่องเราบางทีเขาก็า ย, ยกินทาเราว่าเราเราก็ไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไปห้ามเขาได้เัาเตรียมพร้อมกับทั้งสองสองอย่างเราทั้งสรรเสริมรับทั้งถ้าเรารับสรรเสริสญรได้เราก็ต้องรับนินทาได้มันก็เป็นแค่คําพูดเท่านั้นเองเป็นเสียงทั้งเองเสตุที่ทําให้เราทุกข์ใจกับเสียงนี้ก็เพราะความอยากของเราเนื่อง อยากไม่ได้อยากไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้อยากได้เสได้อยากได้ยินเสียงสารเสริญแต่ไม่อยากได้ยินเสียงนินทาเท่านั้นเองเราก็ต้องกลับมาทําสมาธิทําใจให้เราเป็นกลางเฉยๆแล้วต่อไปเวลาเราได้เวลาเราได้สัมผัสกับสารเสรื่อเราก็จะเฉยสัมผัสกับนินทาเราก็จะเฉยไม่เดือดร้อนคุณอารยาครับชวยสามีทําบุญบอกเขาใส่บาตรเข้าวัด แต่ว่าเราศีลไม่เสมอกันใช่ไหมรู้สึกหมุดกิจมากแต่เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆเพราะใครทำคนนั้นได้ครับความจริงศีลนี่มันไม่ใช่การทําบุญการทําบุญนี่เรียกว่าเป็นทานศีลก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีอันนี้ถ้าเขากับเรายังทำเหมือนกันอยู่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีก็ยังถือว่าเป็น ในศีลเท่ากันอยู่แต่ถ้าเขาเกิดทําอย่างหนึง่งแล้วเราไม่ทําอย่างหนึง่งอันนี้มันก็จะเกิดคารไ ม, ไม่ไม่เท่ากันในศีลขึ้นมาส่วนการทําบุญก็ก็มันก็หมายความว่าเราไม่มีความเสมอกันในบุญในทานเราทําทานไม่เท่ากันต่อไปอนาคตเวลาตายไปเราไปสวรรค์แต่เขาไม่ได้ไปสวรรค์เพราะเขาไม่ได้ทํานทาน นั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาตอนตีสามมีเสียงมาชนประตูสองครั้งดังมากเกี่ยวกับเราสวดหรือเปล่าครับมันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่สำคัญสำคัญเพื่อว่าเราอย่าไปให้ความสัมพันธ์กับวันนั้นนองให้สักแต่ว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่รดดับไปแล้วทำใจให้เฉยเยไปคุณอัญชลีครับ ข้อที่หนึ่งเราสามารถทําบุญให้คนตายครบร้อยวันพร้อมกับทําบุญบ้านที่บ้านด้วยได้ไหมบทสวดมนต์จะต่างกันไหมครับเราต้องแจ้งพระก่อนไหมครับไม่ต้องหรอกเราทําบุญด้วยด้วยเหตุผลนนั้ใดๆมันก็เป็นบุญที่เราสามารถที่จะไปอุทิศได้ทําบุญบ้นเกิดเราก็อุทิศบุญได้ทําบุญคนตายเราก็อุทิศบุญได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็อุทิศบุญได้ได้ทุกอย่างบุญได้บุญแบบเดียวกันชนิดเดียวกัน ข้อที่สองซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เป็นบาปไหมครับมันก็เป็นซื้อสินค้าอย่างหนึ่งไม่ไม่บาปตรงไหนไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่ว่าถ้าซื้อแบบทุ่มเทเพื่อหวังรวยอยังนี้ก็อาจจะขาดทุนนะอาจจะล่มระลายได้ก็ต้องระวังต้องมป็นคำระหระวั ง, ง, วงให้รู้จักว่าความพอดีอยู่ตรงไห น, น ข้อที่สมีวิธีฝึกให้ได้อภิญญาไหมครับหรือต้องเป็นผู้ที่ได้มาจากการฝึกตั้งแต่ชาติที่แล้วเท่านั้นครับก็ต้องไปหาคนที่เขาเมีอภิญญาแล้วให้เขาสอนคนที่ไม่มีอภิญยาเขสอนไม่ได้ก็เหมือนคนที่ตีก็ไม่เป็นไ ม, ไม่เรียนกับคนที่ตีก็ไม่ไปตีไม่ได้สอนไม่ได้ก็ต้องไปเรียนกับคนที่ตีก็เป็นข้อที่สี่ครับกายทิพย์ไปอยู่ โลกทิพย์แล้วสามารถกลับมาเยี่ยมโลกมนุษย์ได้ไหมครับได้ก็กลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆไงตายใจเราเป็นกายทิพย์พอร่างกายนี้ตายไปใจเราก็จะอยู่ในโลกทิพย์ไปจน ก, กว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่คุณดาวถามว่าคนที่ไม่มีศาสนาเขาจะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไหมเมื่อตายไปเขาจะไปอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่ว่าเขามีสติมีปัญญามีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่า เพราะบางคนเขาอาจจะมีศีลสมาธิปัญญาโดยที่ไม่ต้องมีาศาสนาสอนเขาก็ได้ชาติก่อนเขาอาจจะเคยมีาศาสนามา ก, ก่อนแล้วมันติดอยู่ในใจของเขามาถูกสอนให้รักษาศีลถูกสอนให้ฝึกสมาธิถูกสอนให้คิดทางปัญญาคิดทางใจแล้วครัน เ, เ, าาเกิดใหม่เขาก็จะเขาก็จะเป็นเหมือนคนไม่มีาศาสนาหรือพาะค่าจะไม่นับถือศาสนาใดก็ได้เพราะว่าเขาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นสําหรับเขา ความสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้จากการที่กขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วแล้วอย่างนี้ไปถึงบรรลุธรรมได้ไหมครับอาจารย์ก็ได้เขาอาจจะเคยเป็นโสดาบันมาก่อนก็ได้แล้วก็มาเกิดในประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาเขาก็ไม่เชื่อศาสนาต่างๆพรามันไม่ไมันไม่ตรงกับความเชื่อของเขาประสบการณ์ของเขา ถ้าเขามาเจอพุทธศาสนาเขาก็จะความมาเพิ่มมาทันทีเพราะอ่อนนี่เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ถ้วเขาก็มาเรียนต่อได้เรียนต่อจากพุทธศาสนาได้แต่ถ้าไม่มีเขาว่าสามารถที่จะฝึกฝนจิตใจของเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองก็มีความรู้พอที่จะสอนตัวเขาเองได้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ใจและวิธีใดที่จะดับความทุกข์ใจของเขาได้คุณกานิกาครับ การถือศีลอุโบสถศีลกับการถือศีลแปดอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับแบบเดียวกันศีลแปดศีลอุโบสถอันเดียวกันที่เขาเรียกศีลอุโบสถเพราะว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของการไปรักษาศีลที่พระอุโบสถนะชาวบ้านเขาเขาจะมันพักนี่เขาจะไปวัดเราไปทั้งคืนที่วัดกันแต่ที่วัดนี้วัดทั่วไปก็จะไม่มีที่ภาคให้ชาวบ้านปฏิบททัติธรรมถ้าไม่ใช่เป็นวัดปฏิบททัติธรรม เขาก็จะให้ไปทํากิตที่ที่พระอุโบสถคือคือในโบสถ์ไปฟังธรรมในโบสถ์ไปขอสินในโบสถ์แล้วก็ไปนอนในโบสถ์ก็เลยเรียกว่าอุโบสถก็เลยถือว่าถืออุโบสถสีนไปซื้อสิในโบสถ์สินแปดในโบสถ์เป็นชิ้นนั้นเดียวกันสินแปดเหมกันถ้าไม่ได้ตัดบาทแต่ไปใส่ตู้อาหารเพลพระที่มาเรียนที่วัดอย่างนี้ได้บุญเหมือนกันไหมครับ ได้ได้เหมือนกันบริจายเงินใช้เพื่อจ่ายค่าน้ําเข้าไฟก็ได้บุญหรือเอาเงินไปซื้อปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้บุญบุญคือความสุขใจอิ่ใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันคุณสมบูรณ์ครับปฏิบัติภาวนาอย่างไรจะให้ได้ฌานครับก็ต้องมีสติจะมีการบริกรรมพุโทโธพุโทพโธเพื่อหยุดความคิดปุ่งตันให้จิตรวมนิ่งสงบก็จะได้ฌานขึ้นมา คุณไตพบครับขอโอกาสครับข้อที่หนึ่งผมได้ยินมาว่าการที่ห้อยพระเครื่องของพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือของพระคุณเจ้ารูปใดรูปหนึ่งแล้วจะทําให้เราขาดจากพรระัตนาไตยไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้จริงหรือเปล่าครับไม่จริงหรอกเพราะความการที่เราห้อยพระเครื่องของครูบาอาจารย์ครับเพื่อที่เราเลิกถึงพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองข้หมายหลักที่เขาทำสิ่งเหล่า น, นี้มาเพื่อให้เราเราเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณว่าสา ร, ระคุณ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเครื่องรางของขังไว้ป้องกันภัยตา่างๆนะครับจริงทําไว้เพื่อให้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติถ้าไม่เจริญก็ถือว่าไม่ไมม่่ไ ไ, ได้รับประโยชน์จากเครื่องรางของขังนั้นนแต่ไม่ได้ขาดจากการไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ยังมันดูได้แต่ต้องปฏิบัติ ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะบรรลุได้ถ้าห้อยพระเครื่องมาของถังแล้วไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไปการตัดการบรรลุบัพพนิพพานของเขาเขาถามต่อว่าแต่ถ้าตอนที่ห้อยเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ระลึกถึงพระถึงผู้สร้างพระเครื่องคือพ่อแม่ครูอาจารย์และเกิดจากธาตุตามธรรมชาติ แตมีพลังปัจจุเอาไว้เพื่อคุ้มครองป้องกันภยัยธาตุสีคือร่างกายนี้แต่ไม่สามารถป้องกันวิบากกรรมได้แบบนี้ควรจะห้อยต่อหรือไม่ควรห้อยครับก็แล้วแต่เราแต่ถ้าถามเรามันมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีใครจะพิสูจน์ได้นอกจากคนห้อยเท่านะั้คนห้บางคนเข้าเชื่อก็ก็จะห้อยไปบางคนเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ห้อยไปห้อยแล้วเขาบางทีเขาไม่ได้ประโยชน์จากการห้อยเขาก็อาจจะไม่ห้อยก็ได้ คุณแก้วครับบอกว่าเวลาที่ไม่มีความอยากชีวิตมันว่างเปล่าไม่มีพลังไม่มีจุดหมายแล้วควรทําอย่างไรครับเออมันมันมันมันต้องมีสมาธิก่อนนให้มีความสุขจากความสงบก่อนจากการหยุดความอยากก่อนแล้วต่อมาเวลาที่เราเกิดความอยากเวลาออกจากสมาธิความอยากมันจะทําให้ใจเรารู้สึกหมุนเหยียดขึ้นมาพอเราหยุดความอยากได้ ความวนวายก็หายไปแล้วความสงบความสุขก็กลับขึ้นมาอีกต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญามาหยุดความอยากได้ถ้าอยู่ตอนนี้ใจยังไม่มีความสุขจยากอยากความสงบนี้ ย, ยังไมหยุดความอยากมันก็มันก็เหมือนกําลังต่อสู้กันอยู่ความอยากมันยังไม่ยังไม่หายมังนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเราขาดอะไรอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้หยุดความอยากอย่างแท้จริง ถ้าเราหยุดจากความอยากอย่างแท้จริงได้เนี่ยใจเราจะนิ่งสงบจะมีความสุขเกิดขึ้นมาทันทีถ้ายางมีความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าเวเ ย, ย่อยู่เพราะไม่ได้ทําตามความอยากอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้หยุดความอยากคุณรัชนาครับถูกเบียดเบียนในที่ทํางานพยายามทําจิตให้มีเมตตาแต่ก็ทําไม่ได้ตลอดเราควรทําอย่างไรดีครับผัสสะทางตา ม, มันทํายากจริงๆครับ ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยรูปเสียงกล่ดรถถล่มทวพมันสามารถจะให้ความสุดกับเราก็ได้สามารถจะให้ความทุกข์กับเราก็ได้ต้องมองให้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศแล้วเราก็จะทําใจได้แล้วอยู่กับดินฟ้าอากาศได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ผลจะตกแดดจะออกอากาศจะร้อนอากาศจะหนาวเราก็ต้องอยู่กับเขาไปทันใดรูปเสียงกล็ดรถที่เรามาสัมผัสก็เช่นเดียวกัน มีนั่งสิ่งที่รูปเสียงดินนัดที่จะทําให้เรามีความสุขแล้วมีรูปเสียงดินนัดที่จะทําให้เรามีความทุกข์ก็เหมือนฝนตกแดดออกเราห้ามันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ด้วยการทําใจให้เฉยๆไปครับถ้าเป็นโรคไอครับแล้วนั่งสมาธิอย่างนี้ได้ไหมครับได้ไม่เกี่ยวกันเนี่ยการนั่งสมาธินี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ร่างกายใช้สติเป็นหลัก คุณมาริสาครับชีวิตของเราจะดีขึ้นหรือเลวลงมันอยู่ที่คุณภาพของจิตใจใช่ไหมครับอาจารย์ใช่นะคุณภาพของจิตใจก็อยู่ที่การปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนามันก็จะทำให้ชีวิตจิตใจเราดีขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่ดีขึ้นมันจะเลวลงถ้าเราไม่รักษาศีลจิตเราก็จะตับงทุกข์มากขึ้น คุณโกโก้บอกว่าไปวัดแห่งหนึ่งร้องไห้ตลอดเป็นทุกครั้งที่ไปวัดนี้เกิดจากอะไรและทําอย่างไรถึงจะหายได้ครับมันก็เป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละค น, นเวลาไปสัมผัสกับอะไรบางอย่าง ก, ก, ก็มีการปล่ยน้ําตาออกมาได้เช่นเด็กที่ท้างคายกับผู้ดาราที่บอกเห็นดาราป๊บก็ตี ข, ขึ้นขึ้นมาห้ามใจไม่ได้มันเป็นปฏิสิทธิ์ของจิตของแต่ละคนต่อรูปเสียงกลิ่นวัตที่ไปเจอ คุณ ป, ปูครับขณะเดินจงกรมถึงจุดหนึ่งจิตบอกว่าจะไม่มาเกิดอีกแล้วและน้ําตาก็ไหลทําไมเกิดอาการอย่างนี้เพราะเดินจงกรมทุกวันอยู่แล้วและขณะเดินจงกรมก็บริกรรมพุทโธตลอดครับก็มันก็ไม่ยุดไม่ต้องไปรู้ว่ามันทําไมก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ไทำจะไม่รู้มันทําไมทําไมก็รู้ว่ามเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทําะไรกับมันนราจะทําตามที่มันบอกว่เราจะไม่กลับมาเกิดอีก เราก็ต้องถามมัน้ะการจะไม่กลับมาเกิดอีกนั่ต้องทํำยังไงมันไม่ใช่อยู่ดีๆใช่ไหมกลับมาเกิดเอีกแล้วมันจะมันจะไม่กลับมาเกิดที่ไหนมันก็ต้องไปอยู่เหตุที่ทําให้เราไม่กลับมาเกิดเหตุที่จะทําให้เรากลับมาเกิด ก, กด็คือต้องหยุดความอยากทั้งหมดแม่ชอบร้องไห้เวลาที่คุยและสอนลูกเราจะได้รับกรรมจากการร้องไห้ของแม่ไหมครับ ถ้าเราไม่ได้ทำให้ท่านร้องไห้โดยตรงไม่ได้มีความตั้งใจเราก็ไม่ได้รับกรรมถ้าเรามีเจตนาอยากจะทำให้แม่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็ได้ทาตัวเราให้ไม่ดีอย่างนี้ก็มีเจต น, า, น า, า, าก็เธอบาปมีกรรมเป็นกรรมทำให้คนอื่นเขาเกิดวความทุกข์ใจขึ้นมาคุณกันหนครับการทรงสมาธิขณะหลับ จะเริ่มฝึกได้อย่างไรบ้างและพระโสดาบันต้องทรงปฐมฌานตั้งขณะหลับและตื่นเลยหรือไม่ครับไม่ขณะหลับนี้ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีสติคอยควบคุมใจขณะหลับนี้ก็ต้องปล่อยให้จิตอยู่ตามมิสลาของเขาไปอยู่ภายใต้หน้าของบุญหรือบาป ท, ที่ได้สะสมมาบุญหรือบาปก็จะเป็นผู้ที่จะทําให้จิตฝันดีหรือฝันร้ายขึ้นมาหรือถ้ามีสมาธิจิตก็จะไม่ฝันเลยจิตก็จะนอนนิ่งสงบไป คณิกาสมาธิกับฌานหนึ่งเหมือนกันไหมครับอาจารย์คณิกะกับคณิกะน่าจะเป็นฌานสี่เลยเพียงแต่ว่ามันอยู่ได้เดียวเดียวสัตวพอจิตวัวเป็นเป็นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธินี่ถ้าอยู่ได้ช่วคราวชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะถ้าอยู่ได้นานเราเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธินี่ก็หมายถึงฌานสี่ คุณธันวรัตครับช่วงนี้ฝันเรื่องเดิมซ้ำๆเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากจิตมันจิตมันคิดเรื่องซ้าๆอยู่เลยมันเรื่องของจิตนะาให้รู้แค่นี้ก็พอลูกชายสอบเข้าทำงานได้แต่พอสัมภาษณ์ที่อะไรเขามีคนที่เลือกไว้แล้วทุกครั้งรู้สึกสงสารลูกมากจะพูดกับลูกอย่างไรดีให้ลูกไม่ทอ้อทังนั้ง ใ, ใจแม่ก็แย่เหมือนกันครับ ทําเป็นดวก็ไม่นองโพดุณประพัดสอนครับการปฏิบัติธรรมสายพระโพธิสัตว์ที่ต้องมาเกิดต่อเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กับการปฏิบัติสายพระอรหันต์สองสายนี้มีการปฏิบัติหรือข้อธรรมที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับสายพโพธิสัตว์นี่ก็จะเน้นการเจริญเมตตากับการทําทานเป็น่อยยังไม่ได้เน้นการภาวนากับการรักษาศีลศีลก็เพียงแต่ศีลน้า แต่ไม่เน้นศีลแปดศีเพื่อที่จะไปบวชในขัมมะเพื่อที่จะไปปฏิบัติภาวนานี่ยอันนี้เป็นสายของของสายอารหันสายที่ต้องการบรรลุเป็นพาาระหลัก<ม>ก็จะไปทางการไปบวชเนขัมมะแล้วก็ไปภาวนานจนจิตตะภาวนาน<ม><ม>เพื่อจะได้บรรุเป็นพาาระหลักในภพนิชานนี้ แตาสำหรับพระโพธิสัตว์นี้ยังต้องการที่จะเจริญทานบารเมีกับเมตตาบาลมียไปก่อนอาจารย์ครับสมัยได้ยินอ่านมาหลวงปู่ ม, มั่นก็เปลี่ยนใจที่จะเป็นพระโพธิสัตว์กลับมาเป็นบรรลุตนะอนนั้นท่านก็เมตตากับคนอื่นคอยสอนคนอื่นท่านรู้จักวิธีเข้าสมาธิท่านได้สมาธิแนละ้วแต่ท่านยังไม่ได้ได้ปัญญาท่านก็พาญาติโยมพาปฏิบัติสอนญาติโยมวิธีกับฝึกสมาธิ ต, ตัวท่านเองก็ยังไม่ก็ยังไม่เพราะท่านไม่มีเวลาที่จะไปเปียกวิเวกเพื่อที่จะไปปฏิบัติมีปัสนาปัญญาในที่สุดท่านต้องตัดสินใจเปลี่ยนจากการมาเจริญเมตตากับทานบารมีมาเป็นการเจริญเนตขมมะบารมีกับการเจริญปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีแทนก็เลยต้องไปเปียกวิเวกอยู่คนเดียว ก็เหมืกับรู้สึกว่าเหมือ น, น, นกับว่าเป็นเห็นแก่ตัวไปสำหรับในสายตาของผู้ที่เราเป็นโพธิสัตว์ที่ว่าไอ้เราจะเอาตัวรอดก่อนคนอื่นเนะแต่ถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเราก็ไม่เราก็ไม่มีวันที่จะเอาตัวรอดได้สรุปว่าเราต้องเอาตัวเรารอดก่อนแล้วถึงกมากช่วยคนอื่นดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระเจ้าก็ต้องทําตัวงเองให้บรรลุ ก, ก่อนแล้วค่อยมาสอนคนอื่นให้บรรลุตามต่อ ถ้าถ้าเอาอาศัยอยู่เมืองนอกแล้วตายจิตจะกลับเมืองไทยได้ไหมครับจิตไม่ได้อยู่ในโลกนี้จิตอยู่ในโอกทิพย์นี่ไม่ไม่ได้อยู่เมือศไทยไม่ได้อยู่ที่อเมริกาเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลก น, น, นี้อยู่อยู่ในโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพคุณสาวิตครับแม่เป็นโรคกลัวตายมากๆมีอาการแพนิกรุนแรงทุกสองสามชั่วโมงจะต้องขึ้นมาเขย่าประตูให้เปิดให้ บางคืนขึ้นมาตลอดจนไม่ได้นอนมีอยู่วันหนึ่งทนไม่ไหวมันจี้ขึ้นสมองรู้สึกเหมือนเส้นโลหิตสมองแตกที่สุดมาทนไม่ไหวต้องขับรถออกจากบ้านพอกลับมาเลยไม่กล้าที่จะพูดคุยกับแม่อีกเพราะกลัวจะขึ้นมาเขย่าประตูตอนดึกๆอีกไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วไม่กล้าคุยสนิทสนมเหมือนเดิม <c oughs> ตอนนี้ก็พาไปหาจิตแพทย์แต่ส่วนตัวก็ไม่กล้าเข้าอยู่ใกล้ควรต้องทําอย่างไรครับก็ทําอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าอยู่กล้แล้วเดี๋ยวเราก็ แล้วก็ป่วยไข้กันหมาอีกเราก็ต้องจักวิธีรักษาตัวเราด้วยความโกรธคือความอยากแต่เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ป้องกันได้ถ้ายังโกรธอยู่ผิดไหมครับกับยังโกรธอยู่จะผิดไหมครับอาจารย์โกรธมันก็ทำให้นอนทุกข์เท่านั้นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่โกรธเวลาเราโกรธใครนี่เราบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพื่อความโกรธพอเราให้อภัยก็าได้ความโกรธก็จะหาย ไ, ไปเวลาที่ทำสมาธิจะเห็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาเป็นภาพเร็วมากบางครั้งจิตไปอยู่ที่สังขารบางครั้งก็ไปอยู่ที่สัญญาส่วนใหญ่จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเช่นอยู่ดีๆก็เห็นร่างกายเน่าเปื่อยกลายเป็นโครงกระดูกไปเลยหรือบางครั้งเห็นคนสถานที่ที่ไม่เคยเห็นแต่มันเกิดขึ้นและดับไปเร็วมากทาสมาธิไม่ค่อยนิ่งแต่จะมีความฟุง้งแต่รู้มันฟุ้งครับ ไม่ทราบว่ามันคือมันเป็นคืออะไรการทําสมาธิแบบนี้ต้องปรับปรุงอย่างไรให้เป็นสัมมาสมาธิครับเพราะเราไม่มีสติคกบคุมความคิดปุ่มแต่งนั่นเองเวลานั่งแล้วมันก็ปล่อยให้มันความ ค, ามคิดปุ่มแต่พผลิตเรื่มมอวลาเห ล, เล่านี้ขึ้นมาหลอกเราอยู่เรื่อยๆเราต้องพยายามฝึกสติคอยควบคุมความคิดปุ่งแต่งให้ได้ก่อนพระเจ้าสอนว่าเราต้องฝึกสติทั้งวันทั้งคืนแล้วเวลาเราไม่รักสมาธิเราจะมีสติที่มีกาลัง พอที่จะควบคุมความคิดตัวแต่งได้จิตก็จะเนิ่งจะสงบไม่มีนังร้าวอะไรต่างๆปรากฏมาให้เราเห็นใส่บาทออนไลน์ได้บุญเหมือนใส่เองไหมครับได้จิตของคนเรามีเพียงดวงเดียวหรือสามารถแบ่งจิตออกเป็นหลายๆดวงได้ครับมีดวงเวแต่อารมณ์ในจิตมันเปลี่ยนได้แปลปวนได้อารมณ์ สดช่นแบบมัอนอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ลโลภโกรนหลงอะเ น, นี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตเราถ้าเปรียบเทียบจิตเราเหมือนท้องฟ้าเนี่ยในท้องฟ้าเราก็จะมีเมฆมีมหมอกมีอะไรต่างๆสลับกันไปสลับกันมาการนั่งสมาธิจะต้องมีคนหรือพระคอยดูอยู่ตลอดทุกครั้งไปหรือไม่ครับไม่หรอกการนั่งก็มีสติคอยดูใจเราเท่านั้นนะไม่ต้องให้คนอื่นดูหรอก ถ้ามีพระมานั่งดูลราเราไม่มีสตินั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะพระเขามาทําอะไรในใจเราไม่ได้คนที่มาควบคุมใจเราได้คือสติเท่านั้นเองนั้นเป็นพ่อเจ้าถึงบอกให้ฝึกสติให้มากๆสติเป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นสัมพันธ์ที่เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดเลยสําคัญกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะถ้าไม่มีสติแล้วทําอย่างอืงอ่นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ คุณแจ็คครับเทวดาท่านพ้นจากโลกกระทำแปดหรือยังครับยังมีสรนเสริญมินินทามไหมครับยังมีอยู่เทวดานก็ยังอยูย่นในกรมมาพบอยู่ยังเสกกรมเสกโลกกระทำอยู่คุณกระเจี๊ยบบอกว่าไปเป็นจิตอาสาช่วยคนป่วยให้ความรู้คนป่วยทําอาหารสุขภาพให้ผู้ป่วยเป็นบุญแบบไหนครับเป็นวิทยาทาน αι. เนี่ย้ควารู้เป็นวิทยาความรู้ก็คือวิทยา าก็คือกาารรให้้คควมูุณพัทรพรครับด้วยซื้อของมีมูลค่าสูงจากบริษัทมีชื่อเสียงแต่ได้ของใช้แล้วต้องทำใจอย่างไรจะขอคืนของได้ไหมหรือต้องทำใจว่าเจอคนขายไม่ดีเองให้อภัยทานซึ่งทำใจได้ยากครับก็แล้วแต่เราเราจะเรือกทางยังไงก็ได้ขอคืนได้ก็ลองขอคืนดูถ้าไม่ได้ก็ค่อยทำใจ ถ้าขอคืนก็ อ, อกจาจจะคืนให้เราก็ได้แต่ถ้าไม่อยากจะยุ่งก็ถือว่าทำบุญจำทานไปก็แล้วกันเพื่อใจเราจะได้สงบคนที่รักตายจากไปรู้สึกแย่มากขนาดขาดเสาหลักจิตใจเสียใจมากจะต้องทำอย่างไรดีครับก็ต้องทำใจทำใจให้สงบอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่าไปคิดถึงการสูญเสียที่ผ่านไปแล้ว มองาโดยทํ า, า, ถ, าถ้ามันไม่ยอมหยุดคิดกาจจะต้องใช้สติคอยยับยัง้งความคิดใช้คำบริกรรมพุโทโธใช้การสวดมนตน์ไปนั่งสมาธิไปท้าใจนิ่งสงบแล้วอาการทศร้าใจเสียใจก็จะหายไปคุณเที่ยวไปเรื่อยครับพระอารหันต์คือมองที่มองเห็นความตายความไม่เที่ยงของทุกสิ่งใช่ไหม ใช่ไหมครับส่วนคนทั่วไปคือยังไม่เห็นความตายยังยึดติดกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวบนโลกใช่หรือไม่ครับก็าระอรยยบุคคลท่านก็จะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเห็นตายรักเห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาท่านก็จะไม่ยึดไม่ติดท่านก็จะปล่อยวางตัดความอยากได้สิ่งต่างๆเหล่า น, น, นี้หมดไปจากใจใหญ่ของทา น, นก็บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ได้ ว่าเลี้ยงพ่อกับแม่ติดเตียงคนเดียวอยากจะใส่บาตรพระเดินเห็นแต่ไม่มีเวลาเลยหนุกบาปไหมครับไม่บาปหรอกฝากคนอื่นใส่ให้ก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลารุณมาริษาครับบางคนไม่มีความรู้สึกว่าเฉยๆกับทุกเหตุการณ์ไม่มีความอยากได้อยากมีกับเหตุการณ์แต่ในทางคุณหมอจิตแพทย์บอกว่าเป็นการบล็อกอารมณ์อยากฟังเหตุผลพระอาจารย์ว่ามันมีความแตกต่างกันไหมครับ เราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดถึง จ, จิตจิตแพทยได้ว่าเขา <S <S <S เขามองอย่างไรเพราะเราไม่รู้นั้นการปฏิบัติของเรานี้เพื่อทําให้ใจเรานิ่งสงบมีความสงบปราศจากความลรับชั่กลัวหลงท่านั้นเองนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติจะจะว่าเป็นเนี่ยเป็นดีแล้วไม่ดีเราก็ไม่รู้แต่มันทําให้ใจเราสบายถ้าใจเรานิ่งสงบแล้วไม่มีความรักฉั่กลัวหลงก็ เราก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลใครจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไปคุณกัจเจียบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนสามารถที่จะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรได้ไหมครับเคยเคยบอกเสมอว่าการนั่งสมาธินี้เรายังไม่ได้ผลมันก็ไม่มันก็ยังไม่ได้บุญถ้าจิตรวมเป็นความสงบมันได้บุญก็อาจจะอุทิศบุญนั้นได้ แต่พอุเชจ่าก็ไม่เคยสอนให้อุทิศบุญจากการนั่งสมาธิก็เลยตอบไม่ได้ท่านสอนให้อยากจะอุทิศบุญให้ไปทําบุญทําทานแทนใสบาตอย่างนี้แล้วก็อุทิศบุญไปคุณเอกชัยครับจิตจะไปสู่สุขคติภูมิหรือทุกคติภูมิเมื่อกายแตกดับขึ้นอยู่กับการวางจิตสุดท้ายหรือขึ้นอยู่กับบาปบุญที่ได้กระทําไว้ตอนมีชีวิตอยู่ครับขึ้นอยู่กับบาปบุญว่าฝ่ายไหนมันกําลังมากมากกว่า ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะหนึ่งไปอาบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะหนึ่ไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเวลานอนกำหนดลมหายใจจนหลับเท่ากับเราทำสมาธิไหมครับไม่หรอกเท่ากับการทำทาให้ใจหลับคุณใบหยก ค, ครับวันนี้ลูกเจอบททดสอบจิตขั้นที่เพิ่มขึ้นคือคุณแม่ที่ท่านเป็นพาร์กินสัน มาสิกว่าปีตอนนี้ท่านอัมมาพึกแล้ววันนี้ท่านทานอะไรไม่ได้จิตใจลูกไม่ถึงกับโศกตรธแต่เป็นพระวงห่วงท่านมากกว่าครับอก็เป็นการเล่าให้ฟังเฉยๆคุณแอนบอกว่าเวรกรรมมีจริงไหมครับเห็นคนทําไม่ดีแต่กลับมีชีวิตที่ดีบางครั้งเราก็ท้อครับคือเวรกรรมมันเกิดจากการที่เราไปทํำบา แล้วอาจจะไม่เกิดผลในชาตินี้ก็ได้มันอาจจะไปเกิดผลในภพหน้าชาติหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเราทําบุญหรือทำบาปนี่อย่าไปมองผลที่จะกิขึ้นทันทีทันใดมันอาจจะยังไม่เกิดคุณแรดครับถ้าเรายังไม่สามารถเข้าอัปปนาสมาธิได้แต่เวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราดูอาการของร่างกายและเวลากิเลสเกิดขึ้นแล้วใช้ปัญญาสอนจิต ก็เพบาว่ากิเลสสามารถดับลงได้เราสามารถทำแบบนี้ดูอาการกายสลับกับใช้ปัญญาสอนจิตเวลากิเลสเกิดไปได้เรื่อยๆไหมครับโดยไม่ต้องใช้พุทโธตลอดเวลาขณะที่ไม่ได้นั่งสมาธิครับทดลองดูลยถ้าหยุดกิเลสได้ก็ก็ดีควรจะหยุดไม่ได้เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเร้จะหยุดมันไม่ได้ถ้าหยุดได้ก็ดี คุณแม่หลงมากๆอธิบายก็เหมือนเถียงท่านก็กลัวจะบาปไม่อธิบายปล่อยเฉยก็ไปสวดมนต์ครับบอกว่าอยากจะร้องไห้ต้องทําอย่างไรดีครับถ้าท่านไม่อยากจะฟังก็ไม่ต้องพูดนะถ้าท่านอยากจะถามอะไรเราเรก็ตอบไปถ้ท่านถ้าไม่อยากจะถามเราก็ปล่อยให้ท่านอยู่ตามตามสภาพของท่านไปในโลกต้องตายต่างกันแค่วาระ องการตายนั้นแบบนี้เกิดจากการที่ลูกนั่งสมาธิใช่ไหมลูกยังมีความพผวงองการตายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิไม่ไดนสมาธิการตายมันตายได้ตอลอดเวลาแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะทําทให้ร่างกายตา ย, ตายมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อ น, นั้นนะมีคนถามบอกว่าเลี้ยงดูแม่ที่ป่วยแต่เลี้ยง เอ่อแม่ป่วยไม่หายอย่างนี้เขาบาปด้วยไหมครับไม่บาปแล้วก็ทําหน้าที่นี้อยูท่านไปเราไม่ได้เป็นหมอเราไม่ได้เป็นผู้วิเศษที่นำมาทําให้ท่านหายป่วยเราเลี้งยงดูว่าท่านอยู่เป็นปกติสุขเท่าที่เราจะทําได้ไม่ทอดทิ้งกันได้เลยเป็นบุญคุณศิลินทิพย์ครับการใช้ชีวิตในเพศค า, ารวาจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะไม่แพ้ให้กับการมาราคะครับ ก็เนี่ยกต้องรักษาสินแปดให้ได้ก็จะไม่แพ้การมลาคะายรักษาสิ้นแปดแล้วถ้าอยากจะให้ดีกว่านั้นก็ฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาสุภาะถ้ามีาสุภาะเห็นเห็นร่างกายเป็นสุภาษะแล้วการมลาคะก็จะหายไปหมดชุดมนก่อนนอนไม่ได้แต่งชุดขาวใส่ชุดนอนบาปไหมครับไม่บาปหรอก คุณเวร์รี่ครับความสงบจากการทำสมาธิเป็นป er right? ัจจิตังใช่ไหมคะทุกวันนี้ย ka ังไม่รู้จักแต่ก็ไม่ท้อที่จะปฏิบัติเพราะมันคืองานของเราที่ต้องอบรมพัฒนาจิตใจไปเสมอจนตายคิดแบบนี้ถูกไหมครับก็เหมือนกับกินข้าวนะคนที่กินข้าวจะรู้ว่าความอิ่มเป็นยังไงคนที่ไม่กินข้าวมันก็ยังไม่รู้ความอิ่ม การปฏิบัติต้องปฏิบัติไปถึงจุดที่จิตมันอิ่แล้วก็จะรู้เองว่าอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ยังยังไม่รู้เราก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆคุณไตพบครับการที่เวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราจเจริญบริกรรมภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆและเราระลึกรวมเอาพรัตนาตรัยทั้งสามกาหนดอยู่ที่คําคําเดียวคือพุทโธพุทโธแบบนี้ หาพุทโธแนบกับจิตอยู่ตลอดได้ชื่อว่าจิตมีพระรันาตนตรัยรองรับจิตหรือเปล่าครับว่าจิตแนบกับพระรันาตนตรัยหรือเปล่าครับเมื่อหรอกแสดงว่าเรามีพุทเรามีสติดโดยการใช้พุทโธเป็นผู้จะผู้ให้ผู้จเจริญสติให้กับเราเท่านั้นเองแสดงว่าเรามีสติสัมปะัะยะไม่ได้เกี่ยวกับเรามีรันาตนตรัยหรือไม่ ใ, ใจล้ว พลัตนาตายนี่จะอยู่ในใจเราก็ต่อเมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเราบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยอันนี้มันจะเห็นพรลัตนาตายคบคงอยู่ในใจเราเพราะเราเราเห็นพอพอเราเป็นโยงตาเห็นธรรมก็เราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนาฏถากดและผู้ที่จะเห็นธรรม เันตถาคตได้ก็ท้องผู้ที่ปฏิบัตินี้ปฏิบัติชอบก็คือผู้ผู้ที่บรรลุปเป็นพระสุนดาวันนั่นเองมันก็จะรวมกันอยู่ในในขณะในจิตนั้นทันทีแล้วก็ยังไม่สงสัยในพระรัตนนาตายต่อไปว่าอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ในใจของพระสุนดาวันเนี่ย <c oughs> คุณมาริดาครับบอกว่าถ้าแม่หรือลูกจะต้องผ่าตัดทําใจอย่างไรดีครับทําใจเฉย <c oughs> <c oughs> คุณกุ้งบอกว่าเป็ดที่เลี้ยงไว้ไปกินหญ้ามีที่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วเป็ดตายบาปไหมครับมันเราไปสั่งให้มันกินหรือเปล่าเราไปป้อนมันหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเราไปป้อนมันมันจะกินอย่างก็ไม่เลือของมันเลคุณมันเพลนบอกว่าสมาธิช่วยรักษาอาการซึมเศร้าได้ไหมครับได้ถ้าใจสงบอาการซึมเศร้าจะหายไป จิตจากการเสื่อมเศร้าก็กลายเป็นจิตที่เบิกบานขึ้นมาการที่แม่คันเป็นพิษรุนแรงจนชักแล้วหมอต้องยุติการตั้งคันเพื่อช่วยชีวิตแม่แบบนี้หมอทําผิดศีลข้อหนึ่งต้องตกนรกไหมหรือบาปที่แม่ครับแล้วก็ไม่รู้จะตกนรกหรือเปล่าถ้าแต่ถ้าเป็นการฆ่ามีเจตนาที่จะฆ่าให้เขาตายเนี่ก็บาป ที่มันฆ่ามันมีการทาบาปมันมีหลายสาเหตุด้วยกันถ้าจะตกตะลงนี้ต้องฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบามแต่ถ้าฆ่าด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นสัตว์ในราชาถ้าฆ่าด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตถ้าฆ่าด้วยความกลัวเนี่ยก็ไปเป็นอสุรกายยังไงก็อภัยภูมิแน่ๆแล้วใช่ไหมครับอ่ารยอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ คุประพัดสอนครับถ้าเราเกิดถูกใส่ร้ายป้ายสีในสิ่งที่เราไม่ได้ทําเราจะใช้หลักทำอะไรไม่ให้ใจทุกข์ครับเกิด็เราที่เราไปทุกข์เพราะว่าเราอยากใช้เขาไม่พูดในเรื่องเราเหลนี้ท่นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ลองยอมปล่อยให้เขาพูดไปเราก็จะไม่ทุกข์นะเขาอยากจะพูดอะไรเขปล่อยเขาพูดไปเลยเราเฉยได้ท่นอย่างเราก็ไม่ทุกข์แล้วที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาพูดท่านเอง แต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เมื่อเราห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยให้พูดไปความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่ดีนะเป็นความจริงไม่ได้นะเวลาที่มีคนพูดอะไรผมก็จะนึกถึงพระอาจารย์นี้เลยครับปล่อยให้เขาพูดไปปล่อยใหพูดไปบอกทําไมบางคนถึงเห็นผีได้ครับพระอาจารย์ผีมันมีสองแบบผีจริงกับผีปลอม เราอยากจะเห็นผีปลอมกันผี่หลอกคือจิตใจเราปรุงแต่งขึ้นมาเวลาเราไปอยู่ที่เปี่ยกเปียกเงีย้ยเงี้ยมืดๆนี่พออะไรเห็นอะไรปั๊บนิดนึ่งขึ้นไหวนิดก็ว่าผีมาแล้วได้ยินเสียงอะไรนิดหนึงเขเรียกว่าผีมาแล้วอันนี้เห็นผีปลอมคนที่อยเห็นผีจริงญาตินี้ต้องมีอภิญญาต้องเข้าสมาธิแล้วเข้าขั้นระดับ อ, อะนะอุปจารสมาธิได้ก็จะสามารถติดต่อกับผีคือกายทิพย์ต่างๆได้ คุณแวรี mm ่ค hmm. รับการให้เจริญพรมวิหารนี่คือทําอย่างไรครับเช่นเรารู้สึกไม่ชอบคนที่มาทําร้ายเราแต่เราต้องนึกว่าให้อภัยเขาแม้ในใจยังรู้สึกขุ่นมัวของอารมณ์ไม่ชอบเขาแบบนี้หรือครับหนูสับสนทุกครั้งหรือมันต้องเพ่งมั้งครับครับก็ต้องทํำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยให้อภัยก็ได้ถ้าเราให้เข้าใจได้จริงๆแล้วใจเราจะเบาจะโล่งจะสบายถ้าเราไม่ให้อภัยเขามันยัง เราว่าเราให้อาภัยเขาแต่ใจเรายาังขุนมัวอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้อาภัยเขาจริงจริงเราก็ต้องพยายามสอนใจว่าอย่าไม่มีเรื่องกับเขาเลยยกประโยชน์ให้กับเขาเแต่ถึงใดที่เขาทากับเราแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้นี่ไปในทำนองนี้ก็อาจจะทําให้ใจเราโล่งใจเราเบาขึ้นมาอย่างนั้นนแสดงว่าเราให้อาภัยเขาได้ศีล ส, สมาธิปัญญาปัจจุบันทําศีลกับสมาธิอยู่เป็นประจํา อยากทราบว่าปัญญาจะมาได้อย่างไรครับเอาแบบที่ไม่ใช่คิดตัวเองครับก็ขั้นตอนแรกเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติจิตของเราอันนี้ก็เป็นปัญญาทั้งนั้นเรียกว่าสุตตมัยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปใช้กับข้อสอบของเราอย่างที่เมื่อกี้คนถามว่าเวลาใครเขาด่าแล้วเราจะทํำยังไง เวลาเขาใส่ร้ายป้ายสีเราทําไงเราก็ทําใจเฉยๆเรามองเขาว่าเขาเป็นดินน้ำลมไฟหรือเป็นดินฟ้าอากาศเป็นอนาตาเราไม่สามารถไปสั่งไปไปห้ามเขาได้ก็ปล่อยเขาพูดไปถ้าใจเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้เราก็จะใช้ปัญญาในขั้นขั้นปฏิบัติการขั้นทําข้อสอบถ้าใครก็มาด่าเราแล้ ว, ลวป้ายร้ายป้ายสีแล้วเราเฉยได้ก็แสดงว่าเรามีปัญญา ที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาดับความทุกข์ใจของเราได้คุณพิมพ์ณพัฒน์ครับเวลาที่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมภาคปฏิบัติของหลวงตามหาบัวเวลาที่ฟังมีความรู้สึกดูดดื่มแต่พอได้ฟังธรรมของพระท่านอื่นตามเฟซจิตใ จ, จกลับไม่ฟังไม่ค่อยเข้าใจในธรรมที่ท่านสอนแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับก็เพราะจิตอาจจะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ตรงกันไมื่อเารับประทานอาหาร อาหารมีหลายหลายชนิดด้วยกันแต่เราก็เลือกว่าประทานอาหารที่ถูกใจเราอันนี้ก็เหมือนธรรมะของแต่ละภาพแต่ละองค์ก็มีเหมือนเป็นเหมือนอาหารท่านนี้ท่าก็เป็นเหมือนน้าขายอาหารท่านก็นผลิตอาหารมาขายหรือมาแจกมาใจซึ่งอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกกับชนิดเราก็ได้คุณจอยครับหลักธรรมที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันง่ายๆเมื่อเราทุก ต้องทำอย่างไรครับก็ใช้สติหยุดความทุกข์ท่องท่องท่องบามีคำพุดโธไปหรือสวดมนต์ไปให้ใจหยุดคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราทุกข์คุณต้อยครับปกติคุณแม่แข็งแรงดีแต่พอป่วยได้ไม่นานก็เสียเลยตั้งแต่ตั้งตัวไม่ทนันรู้สึกผิดตลอดเวลาคิดเสมอว่ายังไม่ทนันได้ดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่จนทุกข์อยู่ตลอดตลอด จะต้องสุกใจอย่างไรถึงจะหลุดจากความทุกนี้ได้ครับก็อมองเป็นเรื่องส่วนวิสัยเราไม่รู้ท่านจะตายเมื่อไหร่ก็เอามาเป็นบทเรียนสอนเราว่าต่อไปนถ้าเราอยากจะดูแลใครให้รีบดงแลตั้งแต่วันนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่นั่งสมาธิแล้วเวียนหัวมันเป็นเพราะอะไรแล้วควรทําอย่างไรครับ อันนี้เราก็ไม่แน่นนเนื่องจากงงหัวนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายถ้ามันเป็นเฉพาะตอนที่เราต้งสมาธิอาจจะเป็นเพราะกิเลสวิจัยของเราไม่มีสติพอทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านของกิเลสก็เลยอาจจะทําให้เกิดอาการเจ็บตรงนั้นปูดตรงนี้เริเรรรวนศีรษะขึ้นมาก็ได้อันนี้ถ้ า, ถาเลิกตั้งสมาธิแล้าหายไปก็แสดงว่ามันเกิดจากการที่เราไม่มีสติพอที่จะควบคุมปฏิกิริยาของกิเลสได้ เราต้องพายามฝึกสติให้มากขึ้นก่อนตอนที่เราจะมานั่งสมาธิการต้องทํางานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามที่มาชอบเราทําให้รู้สึกหวันไหวทําให้ความสงบของจิตใจหายไปต้องทําอย่างไรครับต้องนั่งนึกถึงอัตสุภะของเขาของเพศตรงข้ามคิดถึงอาการ312เข้าบ่อยๆนึกถึงอาการที่เราเมองไม่เห็นใต้ใตผิวหนัง เช่นเห็นโครงกระดูกของเขาบ้างเห็นตับไตไส้พุงของเขาบ้างทําเรื่องถึงอาการแบบนี้แล้จิตใจเราก็จะไม่รู้สึกตื่นเต้นกับกับคนที่เขาเป็นเพศตรงข้ามกับเราแล้รู้สึกเฉยเได้การนั่งสมาธิควรให้จิตอยู่กับกายและใจไม่ให้ส่งออกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับการนั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิด มันยังอยู่ความคิดได้ก็ต้องมีสติสติก็จะมีหลายรูปแบบพุทธานุตนานาสติก็ใช้คําเลยครับพุทโธอานาปนสติก็ใช้การพึงลมหายใจเขา้าเป็นการยับยั้งความคิดปุ่งแตกพอความคิดปุ่งแตกหยุด ป, ปับ๊บใจก็นเนื่องสงบเป็นสมาธิขึ้นมาคุณจุ๊บ ค, ครับการเอาสัตว์ไปทําหมันเป็นการเบียดเบียนสัตว์หรือผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับ มันไม่หรอกเพราะเรามีเจตนานดีกับเขาเราไม่ต้องการให้เขามีลูกไม่ได้เป็นการเผดเศษไม่ได้เป็นการทำลายชีวิตเขาพระที่สร้างสิ่งของทางสายมูให้คนเช่าบูชาสมควรหรือไม่และเป็นการเพิ่มกิเลสให้คนไหมครับมันไม่ได้เป็นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้มาสร้างวัตถุของคนพระพุทธเจ้าสอนให้มาสั่งสอน ทำมาให้กับศรัทธาญาติอยู่คุณสินแก้วครับในการฝึกสติหากบั้นปลายมีอาการสมองเสื่อมการบอกให้ญาติเปิดเสียงสวดมนต์ไว้จะช่วยในการนึกถึงพุทธานุสติได้ไหมครับคือเรื่องของสติกับเรื่องของความเสื่อมทางสมองนี่มันคนละเรื่องกัน ถ้ามีสติจิตก็ยังจะเป็นเหมือนคนปกติอยู่แต่อาจจะไม่สามารถที่จะใช้สมองใช้น่างกายาติดต่อกับคนอื่นได้เพราะาสมองมันบกพร่องแต่จิตก็ยังมีเหมือนเหมือนกับเป็นปกติเหมือนกับตอนที่น่างกายไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาเพราะจิตกับนั่งกายเป็นคนละส่วนกันถ้าจิตมีสติจิตก็จะไม่ไม่พักไม่เผลอไม่ไม่หลงไม่เลย ถ้าจิตไม่มีสติเมื่อไหร่นั้นตอนด้านหลังมันก็จะพังเลยไม่จะหลงหลยไม่ได้การสวดมนต์ทำได้ทุกอิริยาบทใช่ไหมครับเช่นตอนนอนก็ทําได้ไหมครับคือการแต่แตมันอยู่ที่ว่าได้ผลอัะไนจะได้ผลดีกว่ากันถ้าที่ดีที่สุดก็คือท่านร่งางวันสวดมนต์ถ้าท่านนอนนี่มันอาจจะสวดไปแล้วก็อาจจะหลับไปก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการสวดมนต์ พระการสวดมนต์เรต้องการทําใจให้นิ่แค่สงบให้เป็นสมาธินั่นเองคุณเอกชัยครับอาจารย์ช่วยอธิบายขันห้ารูปนามกายใจธาตุรู้ตัวรู้ให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยเปิดเดี๋ยคนหาใน Google ็ต้ารจัมาเป็นแพนิคคิดมากแก้ได้อย่างไรครับวันนี้เราเป็นคนที่มีความหวาดกลัว ต้อศึกษาความเป็นจริงของสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเมื่อว่ามันเป็นอย่างไรต้องพิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแล้วต้องยอมรับความจริงอันนี้ได้แล้วเราก็จะหายแพนเด็กตกใจกลัวกลัวว่าจะเกิดสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เรามัดว่าแล้วเราห้ามมันได้ป่ะเหตุการณ์ต่างๆอะไรมันจะเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมามันจะบอกทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยง มีก่อไม่ดับเป็นธรรมดาให้ใช้ปัญญาสอนใจแล้วใจก็จะหายแผน่นเองได้แต่ถ้ายังไม่หายกแสดงว่ายังไม่มีสติไม่มีสมาธิก็ต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิก่อนพอมีสติมีสมาธิแล้วพอมีปัญญาสอนใจใจก็จะนิ่งเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้จะไม่วิตกไม่กังวลคุณเบกกี้ครับ เคยมีคนนำของมาให้เราหลายปีผ่านมาอยู่มาวันหนึ่งมาขอของคืนหากเราไม่ให้คืนจะผิดทางธรรมไหมครับถ้าเขาให้เรามาแล้วมันก็เป็นของเรามันจะไม่ให้เขาก็าไม่ผิดตรงไหนถ้าทำงานไปด้วยเปิดฝังธรรมะไปด้วยได้ไหมครับได้แต่มันจะไม่ได้ไ ม, ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ เวลาฟังทำแล้วเราทํางานด้วยใจเราก็แบ่งไปสองที่ถ้าเรากำลังแบ่งมาที่การทํางานเราก็จะเราก็จะไม่ได้ยินเราก็ยังไม่เข้าใจทำที่เรากําลังทำอยู่เพราะงั้นมันก็จะได้แบบห้าสิบห้าสิบไม่ได้เต็มร้อยถ้าอยากได้ใต้เต็มร้อยก็ต้องเอาอย่างไดอย่างหนึ่งคุณรินรุ่งครับ ถ้โยมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับการเกิดมาเป็นมนุษย์รู้สึกว่ามนุษย์มีกลิ่นเหม็นสาบคาวสกรปรกรู้สึกวุ่นวายมากอยากไปไกลๆคนต้องการความเงียบๆคนเดียวครับก็ไปฝึกสมาธิเลยฝึกสมาธิมนุษย์สามารถที่จะแก้กรรมได้ไหมครับไม่ได้หรอกไม่มีใครแก้กรรมของใครได้ของตอนเองก็ไม่ได้ของคนอื่นก็ไม่ได้ เมื่อทําแล้วกรรมย่อมย่ อ, อ, อมเจอมสมบูรณให้ไม่ช้าก็แล้วสมัยนี้มีบุคคลที่อ้างว่าสามารถจะเห็นผีเห็นอดีตชาติคนอื่นได้แสดงว่าเป็นของเก่าที่ติดตัวเขาเคยได้อภพินยามาในอดีตชาติใช่ไหมถ้าในอดีตเคยได้แปลว่าในชาติปัจจุบันก็สามารถใช้อภพิญยาต่อได้เลยอัตโนมัติใช่ไหมครับพระอจาจารย์สอนว่าเวลาใครก็พูดอนะไรอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิเสธ ให้เรารอพิสูจน์ก่อนว่สิงนี้ก็พูดจริงหรืไม่จริงถ้ายังไม่รู้ว่าจริงว่าไม่จริงก็อย่าไปเชื่อแต่อย่าไปปฏิเสธให้ฟังหผไว้หูครับถ้าศีลไม่บริสุทธิ์จิตจะเป็นสมาธิได้ไหมครับยากถ้าเวลาเราเมาแล้วนั่งสมาธิมันก็นั่งไม่ได้ถ้าจิตเราไปทําบาปจิตเราก็จะวุ่นวายไ ม, ไม่สงบจะทําให้การทําให้จิตสงบยาก เราต้องอย่าไปทำบาปไม่มีอะไรข้างๆในใจวเวลาทำสมาธิมันก็จะสงบง่ายถ้ามีเหตุการณ์บางคราไม่สบาย อ, อกสบายใจเกี่ยวก่บาปที่เราทำมันก็จะทำให้ยากต่อการที่จะทำใจให้สงบได้ปฏิบัติเองที่บ้านฟังเทศจาก YouTube ตอนนี้ทุกทุกเกิดก็รู้สุกเกิดก็รู้จิตคิดปรุงแต่งก็รู้ขอคำแนะนำครับ คือรู้รู้ไม่พอนะรู้ว่าต้องดับความทุกข์ใช้ความรู้นี้มาดับความทุกข์ให้ได้เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้แล้ว เ, เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาดับไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งเหล่นี้ที่เรารู้มันเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือเครื่องมือเร า, าใช้เพื่อดับความทุกข์ใจของเราถ้ายังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้สิ่งที่เรารู้มาก็ไม่เกิดประโยชน์น เป็นคนกลัวหมอกลัวโรงพยาบาลเวลาจะไปมีอาการหัวใจเต้นเร็วไม่สบายใจทําอย่างไรจึงจะหายครับเหมือนบังบังคับใจไม่ได้เลยครับก็พุโทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงโรงพยาบาลอย่าไปคิดถึงหมอให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับหนูไม่ได้ง่วงเหงาเหานอนเวลานั่งสมาธิก็ไม่จําเป็นต้องอดอาหารใช่ไหมครับหรือการอดอาหารมีจุดมุ่งหมายอื่นอีกไหมครับ ก็ถ <els> yeah, ้าให้ง่วงนอนนั่งจิตสงบได้ก็ไม่ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องอดอาหารก็ได้แต่การอดอาหารนี่นอกจากป้องกันความง่วงนอนแล้วมันจะกระตุ้นความเพลินของเราด้วยเพราะอะไรพ่าเวลาเราอดอาหารในใจเยอะร่างกายจะหิวแล้วมันจะทําให้ใจทุกจากความหิวของร่างกายแล้วถ้าเราต้องการจะดับความทุกข์ทางใจเราก็ต้องใช้การฝึกสมาธิฝึกปัญญาฝึกสติ มันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องทำความเพียรแต่ถ้าร่างกายเราไม่มีความทุกข์ใจเราแต่ถ้าร่างกายเราอิ่มใจเราก็ไม่ทุกข์ใจเราก็อะไม่มีปัญหาต้องทำอะไรมันก็จะขี้เกียจธรรดาได้งานที่ทำนายจ้างให้หลีกเลี่ยงเสียภาษีให้น้อยเราเป็นลูกจ้างไม่อาจจะปฏิเสธได้อย่างนี้เราบาปไหมครับ ก็เราเป็นลูกจ้างเขาเราทำตามคำสั่งเขาก็บาปด้วยกันทั้งคู่คนสั่งก็บาปคนทําก็บาปคุณสิรินทิพย์ครับต้องทําอย่างไรจึงจะใช้ชีวิตในโลกนี้โดยที่ไม่หวั่นไหวให้กับคนอื่นไอ้นคนที่มาจีบที่ต้องเจอทุกวันรู้สึกว่าความสงบของใจลดลงทําให้ต้องหาเวลาว่างมาชําระจิตใจแต่ความรู้สึกมันก็กลับมาครับ ก็พิจารณาว่าทุกอย่างเป็น ท, ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเึ้นไม่นองมีเกิดไม่ดับเป็นสิ่งที่เราก็คมบังคับห้ามไม่ได้เราก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเราก็จะไม่หวั่นไหวอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไปอะไรจะมาก็ปล่อยมันมาไปอยู่กับมันไปอุเบกขากับการไม่ใส่ใจเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกัก พุเบคาหมายถึงเราไม่โลภไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไรก็เฉยเฉยใครชมเราเราก็ไม่ได้ดีใจใครดา่าเราเราก็ไม่เสียใจคุณวีนาครับการเอาทรายโรยในท่อน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำลูกยุงถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับถ้าทำให้เขาตายก็ผิดศีลกขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การหยุดทุกข์ที่เกิดจากอัตตาครับหากเรารู้ว่าเราเกิดอัตตาแต่เราก็ยังหยุดความทุกข์ไม่ได้จะทํำยังไงดีครับก็ต้องไปฝึกสตินัง่งสมาธิให้มากขึ้นให้หยุดหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดอัตตาหยุดความทุกข์ต่างๆได้การมาราคะเกิดขึ้นต้องกําหนดอย่างไรครับถ้าต้องการดับการมาราคะก็ต้องพิจารณาสุภา ดูซากศพคิดถึงซากศพแทนแทนที่จะไปคิดถึงคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเราไปคิดถึงซากศพคิดถึงอาวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ภายในร่างกายของเขามันก็จะทําให้การบราลัยหายไปได้คุณชัยยาพาครับการปฏิบัติวิปัสสนาที่แท้จริงจะต้องนั่งขัดสมาธิใช่ไหมครับกรณีที่มีผู้สุขภาพข่าข้อไม่สมบูรณ์ แม่นั่งเก้าอี้ปฏิบัติก็ไม่ถือว่าเป็นวิปัสนาโดยสมบูรณ์หรือครับอ๋อไม่เกี่ยวหรอกการเจริญวิปัสนานี่ยทำในอะไรเอาบทไหนก็ได้ทำในท่านอนก็ไดเช่นเรากำลังจะตายเราพิจนารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแล้วปล่อยวางได้แล้วก็แล้วก็บรรลุธรรมได้วิปัสนาได้มันน่าแต่เหตุการณ์การเจริญวิปัสนานี่ยต้องทำตอนที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วร่างการเราอยู่ในท่าไหนมันก็ไม่สําคัญสําคัญว่าเรามีสติมีปัญญาที่จะมาดับความทุกข์ใจได้ไหรือไม่ถ้าเรามีสติมีปัญญาแสดงว่าเรามีวิปัสสนาระดับความทุกข์ใจได้เราก็บรรลุทำได้ใงการบรรลุธรรมนี่สามารถบรรลุได้ในทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนเนี่บรรลุได้ นั่งสมาธิแล้วระลึกได้บางเรื่องที่เราลืมอย่างนี้เรียกว่าไม่สงบหรือเปล่าครับถ้ายังเราะลึกอยู่ก็ยังไม่สงบนั่งสมาธิต้องไม่มีความระลึกไม่มีความคิดถึงอะไรเลยใจต้องว่างปราศ จ, จากความคิดปุ่งแต่มคุณอุงุ่นเปรี้ยวครับการสวดมนต์ต่อเนื่องเป็นเวลานา น, านๆได้อนิสงไหมครับถ้าสวดด้วยสติก็จะทําให้เราได้สติสัมปชัญญะขึ้นมา จะทำให้เวลาเรานั่งสมาธิอาจจะสงบได้ง่ายได้เร็วป่วยเป็นโรคร้ายแรงจะต้องทำใจอย่างไรดีครับอาจารย์ก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับความจริงใจเราก็จะไม่ทุกกับความป่วยไข้ของร่างกาย คุณนิรุตครับผมได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วม ง, งานคนหนึ่งในหลายๆเรื่องแต่ครั้งนี้จะไปช่วยเขากลับบอกว่าไม่ต้องก็ได้จะเป็นบุญคุณกันเปล่าผมรู้สึกไม่ดีเลยครับควรจะวางใจอย่างไรดีครับที่เราไม่สบายใจเพราะเราอยากจะไปช่วยเขาแล้วเขาไม่อยากให้เราช่วยเราก็เปลี่ยนใจถ้าเขาไม่อยากให้เราช่วยเราก็อยา่าไปช่วยเขาก็ทํานั้นเองเร า, าก็จะสบายแสดงว่าเขาช่วยตัวเขาเองได้ก็โอเค ปัญหาคือเงินไม่มีเงินไม่มีเลยทุกจะต้องทําอย่างไรครับเลือกใช้เงินเลยที่เราทุกคนเราอย่งต้องการใช้เงินอยู่ยังอยากใช้เงินอยู่พอไม่มีเงินใช้ก็เลยทุกแต่คนที่ไม่ต้องใช้เงินเขาก็จะไม่ทุกจากการมีเงินแล้วไม่มีเงินอย่างคนที่มาบวชนี่เขาไม่ต้องใช้เงินเขาก็ไม่ทุกจากการมีเงินแล้วไม่มีเงินเขาก็อยู่ได้ถ้าอยากจะทุกทุกเรื่องเงินก็มาบวชซะแล้วจะหายทุกเราจะไม่มีเงินให้ใช้ คุณมีนาครับมีเพื่อนเคยคิดว่าคนที่เรียนหนังสือเก่งๆหรือฉลาดเข้าหมาวีอะยดีๆได้น่าจะสามารถปฏิบัติทรรมได้ดีกว่ากว่าไวกว่าคนทั่วไปเพราะฉลาดซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนี้เลยอยากกราบรบควรขเขาคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ครับคือมันก็มีส่วนคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดนี่มันมีส่วนทาให้บรรทุรรมเร็วหรือช้าได้คนฉลาดนี่ความคิดเขา มองเห็นทมได้ชัดเจน ง, ง่ายกว่าคนที่ไม่ฉลาดการปฏิบัตินี่ที่คนบางคนบรรลุชา้าบรรลุเลยรก็เพราะความฉลาดหรไม่ฉลาดนี่เองเวลาที่สวดมนต์ไปเรื่อยๆตัวจะนิ่งมากนั่งตัวตรงมากเกิดจากจิตเริ่มมีสมาธิใช่ไหมครับถ้าถ้าจิตนิ่งกายมันก็จะนิ่งตามคุณตะวันครับ เวลาออกกําลังกายโดยการเดินบนเดีวบนลูวิ่งผมจะฝึกสติโดยการนับหนึ่งถึงร้อยแล้ววนมานับใหม่จนครบหนึ่งพันแบบนี้เป็นการฝึกสติได้ไหมครับถ้าถามได้แล้วไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ได้การฝึกสติเพื่อหยุดความคิดปุ่มแตกให้เราอยู่กับงาน ท, ท, ที่เรากำลังทำอยู่เช่นเรากําลังวิ่งอยู่กับการวิ่งอย่างเดียว เวลาที่นั่งสมาธิจะมีอาการแน่นอึดอัดท้องและที่อกแต่ที่ศีรษะโป่งโล่งต้องทำอย่างไรครับแสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยช่วย่กิเลดไม่ได้กิเลสมันเป็นตัวส้าอาการเหล่านี้ขึ้นมาเราต้องฝึกสติให้มากขึ้นคุณชัยยาดาครับญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเมื่อเราชักชวนไปทําบุญที่วัดเขาจะให้ความเห็นว่าถ้ายังมีโลคโกรธหลงอยู่อย่าไปทาบุญเพราะไม่มีประโยชน์ เมื่อชวนไปปฏิบัติธรรมจะบอกว่าถ้าชวนเรื่องนี้อย่ามาพูาาพดชวนไม่ใช่ทางของเขาจะพูดเปลี่ยนความคิดเขาอย่างไรดีเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือมากครับไม่เปลี่ยนก็ได้ยังไงเาเขาไม่เขาไม่ต้องการให้เราไปเปลี่ยนเราก็อย่าไปยุ่ ง, ขงเขาถ้าเขามาถามเราเราค่อยบอกเขาถ้าอยู่ดีๆเขาไม่มาถามเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคุยกับเขา มีญาติที่เวลาโกรธไม่สามารถละกับความโกรธตัวเองได้ระบายอารมณ์โดยการปาสิ่งของมาใส่เราเราจะช่วยเขาได้อย่างไรครับก็หนี้ไปอย่าไปอยู่ใกล้เขาปล่อยเขาระบายอารมณ์ของเขาไปพอไม่มีใครอยู่ใกล้เขาเดี๋ยวเขาก็สงบสติอารมณ์ลงเองเวลาสวดมนต์จะสวดในห้องนอนตลอดไม่เคยสวดต่อหน้าพระพุทธเลยทําแบบนี้ได้ไหมครับได้การสวดมนต์นีน่เป็นการเจริญสติ แในสวดที่ไหนก็ได้ขอให้มีสติในการสวดกว็แล้วกันคุณเหมียวครับนั่งสมาธิสักพักแล้วไม่รู้สึกถึงลมหายใจต้องทํำยังไงต่อครับก็นั่งต่อไปใ ห, ใ ห, ให้ดูต่อไปคอนจินั่งมันต้องมีอะไรให้ใ ห, ให้ทําถ้าเราใช้กรรมริการพุโทโธแล้วก็พุโทโธไปเรนะื่อยๆอย่าพิุกอย่าหยุดถ้าเราดูลมหายใจเราก็ดูลมไปเรนะื่อยๆ ถ้าไม่มีโลมให้ดกูก็ดูที่เดิมดูว่าตอนที่ไม่มีดมดูความว่างไปคุมคณิตฐาครับทําสมาธิเมื่อเราแยกจิตแยกกายเราควรจะไปจดจ่อ ก, กับจิตหรือกายดีครับอ๋อแล้วการแยกจิตแยากกายนี่เราต้องใช้สติเป็นตัวแยกมันต้องมีสติอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจแล้วจิตก็จะสงบแยกออกจากกายได้ มีเพื่อนร่วมงานพูดหยาบคายชอบมินทาผมวางจิตใจความคิดอย่างไรดีครับก็มองว่าคนเราเป็นเหมือนผลามะม่ามีหลายรูปแบบด้วยกันบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็อยากคายบางคนก็สุภาพเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ต้องเราต้องอยอมรับเขาตามความเป็นจริงของเขาถ้าก็หยาบคายก็รู้ว่าคนที่เขาเป็นคนอยากคายถ้าคนนี้คนสุภาพก็รู้ว่าเขาเป็นคนสุภาพ ที่เรามีปัญหาเพราะเราไม่อยากจะให้เขาอยากขายเท่านี้เราต้ อ, อย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปอยากเปลี่ยนเขาแล้วเราก็จะ อ, อยู่กับเขาได้ไม่นำขายรู้สึกเฉยๆคุณพานุวัตรครับผมทุกสอนให้หลังนั่งสมาธิแผ่เมตตาและการแผ่เมตตาต่างกับอุทิศบุญไหมครับการแผ่เมตตานี้มันไม่ได้เป็นการแผ่ในการสวดเฉยๆยนั่นเอง การแผ่เมตตาต้องเกิดจากกางกระทำใช้เวลาใครก็ทําให้เราโกรดแล้วเราให้แอาภไยเขา น, นั้นแหละเป็นการแผ่เมตตาการนั่งเฉยๆสวดไปคนเดียวส่วนบทแผ่เมตตานี้มันมันไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสวดอาจจะถือว่าเป็นการสวดบนอย่างหนึ่งเป็นการเจริญสติเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับการแผ่เมตตาแต่อย่างใดส่วนบุญที่บนนี้เราต้องทํามุนก่อนแล้วถึงจะบุญได้ เช่นใส่บาตร้วเราก็สามารถอุทิศบุญที่เราได้จากการใส่บาตรไปได้คนที่ฆ่าสัตว์มาทําอาหารใส่บาตรพระกินจะบาปไหมครับฆ่าสัตว์ก็บาปเราไปใส่บาตรเขาก็ได้บุญได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญคุณออมมี่ครับเวลาที่คนสนิทมาบอกให้ร่วมทําบุญแต่ตอนนั้นเราไม่พร้อมด้วยเงินน้อยเลยรู้สึกเป็นทุกข์ แต่ก็ทําบุญตามกําลังแต่อยากทราบว่าเราได้บุญบ้างหรือไม่ครับได้เราก็ได้เสียสละแบ่งบันเงินของเราไปเราก็ได้อย่างนั้นก็ได้ชนะความบันดีด้วยความหวงในเงินทองก้อนนั้นได้เวลาที่ทํากิจกรรมต่างๆเราควรหมั่นรู้สึกถึงลมหายใจของเราให้ได้บ่อยๆใช่ไหมครับยังถือว่าเรายังมีสติอยู่ถูกไหมครับเวลาทํางานค็อยังมีสติอยู่ ง, งานจะดีกว่า พอลงหายใจนี่มันเสี่ที่ดูยากให้มีสติอยู่การเคลื่อนไหวของมือเราของเรากำลังใช้มือทําอะไรแล้วก็มีสติย่นี้ดูกับงานที่เรากำลังทำอยู่ไปตอนบวชปฏิบัติได้ไม่ค่อยดีแต่มารู้ธรรมะหลังบวชหลายปีสามารถจะบวชใจแก้บาปได้ไหมครับบวชนี่บวชนี่บวชได้แต่แก้บาปไม่ได้มาก็ต้องก็ต้องชดใช้ไป เมื่อถึงวาะมันก็จ ะ, สะแสดงผลขึ้นมาเวลาไปวัดควรหรือไม่ควรขอพอรหรือตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่เราต้องการครับคือการไปวัด น, นี่เราไปเพื่อไปทำบุญการทำบุญนี้ไม่ไม่ต้องไปขออะไรจากใครเพราะมันเกิดจากการกระทำของเราที่เราไปใส่บาตรนี่เราก็ได้บุญได้พรแล้วบุญก็คือพรเนประเสริฐนี่ก็คือบุญ บุญ น, นี้จะส่งให้เราทําให้เรามีความสุขความเจริญทำหน้านจิตใจจิตใจเราก็จะสูงขึ้นจากม น, นุษย์เราก็จะกลายเป็นเทเไปเราไม่ต้องไปขออะไรจากใครทั้งนั้นถ้าเราทําบุญเราการทําบุญของเราเนี่ยจะทําให้เราได้บุญได้พรขึ้นมาคนอื่นให้พรเราไม่ได้พร น, นี้แท้จริงอยู่ที่การกระทําของเราครับุณประมูลครับ เวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าศีรษนโตขึ้นโ ต, ข, นตขึ้นเหมือนจะระเบิดต้องลืมตาแล้วอาการก็หายไปเป็นอุปท า, านหรือว่าเป็นอย่างไรครับมันก็เป็นความคิดของเราเองท่า น, นเองความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เพราะว่าเราไม่มีสติปล่อยให้ใจไปคิดถ้าเรามีสติความคิดเหลนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาเวลาที่เดินจงกรมแล้วมีอาการเหมือนจะเป็นลมต้องแก้อย่างไรครับ ก็หยุดก็หยุดเดินเนี่ยนั่งพักสักพักหนดูร่างว่าร่างกายเราผิดปกติตรงไหนบางทีมันไมเกี่ยวกับการเดินจงกรมมันอาจจะเกี่ยวกั บ, กบความบกพร่ อ, องของทางร่างกายก็ได้ก็ต้องสังเกตดูถ้ายังไม่หายก็ จ, จะต้องไปหาหมอดูหาหมอดูมมอดคุณนักกิตครับนั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดหรือเพื่อเห็นความคิดผุดขึ้นมาครับหยุดความคิดไ ม, ไม่ต้องการให้คิด ด้วยการใช้คําบาลีคำพุโทโธพุโทโธไปแล้วด้วยการเดินลมหายใจก็ออกไปอยู่กับคนที่คิดลบตลอดเวลาทำให้รู้สึกเครียดเราควรจะวางตัวอย่างไรดีครับประหยัดประยาดให้เขาคิดเปน็นอิจฉาอื่นเลยยอมรับเขาเราไม่ยอมรับเขามันก็เลยเครียดถ้าเรายอมรับเขาว่เาเขาเป็นคนอย่างนี้เขาจะคิดในทางลบก็าปล่อยเขาคิดไปเราก็จะไม่เครียด ความเครดเกิดจากความอยากของเราอย่าให้เขาไม่คิดในทางลบเท่านั้นเองแต่แล้วก็เปลี่ยนเขาไม่ได้คุณครูท่านหนึ่งใช้ให้นักเรียนไปจับผีเสื้อมาสตาร์นักเรียนเลยถามคุณครูว่าใครบาปครับบาปด้วยกันทั้งคู่คนําก็บาปคนสังก็บา ป, บาปขายปลาเผาบาปไหมครับไปรับปลามาจากแม่ค้าทีครับ ถ้าไม่ได้ค่ายไม่บาถ้าของตายเน่ามาขายไม่ว่าไม่เอ่ยนามครับคนที่ตายจิตออกจากร่างไปตกนรกตามขุมต่างๆได้รับความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดตามขุมนรกต่างๆได้อย่างไรเนื่องจากสังขารถูกเผาเน่าสลายไปแล้วครับคือใจไม่ได้อยู่ในร่างกายนะใจอยู่ในโลกชีพเพียงแต่ใช้สัญญาณวิญญาณติดต่อกับร่างกายทนั้นเองเหมือนกับคน เหมือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องอยู่คนละอยู่คนละซีโลกเครื่องหนึงอยู่อเมริกาเครื่องมนอยู่ประเทศไทยนี่ก็จิตกับร่างกายก็เป็นแบบนั้นอยู่คนละโลกกันร่างกายอยู่โลกหนึ่งจิตอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วนรกก็บสวรรค์นี่ก็คือสภาวะสภาพของจิตใจเวลาจิตใจมีความสุขเราก็เรียกว่าเป็นสวรรค์เวลาจิตใจมีความทุกข์เราก็เรียกว่าเป็นนรกกันม การที่เราดูแลตัวตัวเองมากๆถือว่าเป็นกิเลสไหมครับแล้วก็มีหน้าที่ดูแลร่างกายของเราจะให้ดูแลเพื่อไม่ให้สร้างความทุกข์ใจก็ไม่มก็ไม่เป็นกิเลสถ้าดูแลโดยกำลังเกิดความวิตกกังวลทุกข์ใจขึ้นมานี่ก็จะเป็นกิเลสขึ้นมาคุณภูมิครับอยากพ้นทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์ในสิ่งที่มีต้องพิจารณาอย่างไรครับเพื่อเร่งความเพียรครับก็ต้องเป็น อยู่ที่มันมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเลยที่เป็นบวญเป็นพระเนี่ยจะเจอความทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกแต่คนที่เลี้ยงเรามาคือแม่กับยายหมายถึงว่าคนที่มีพระคุณกับเราคือพระอรหันต์ไหมครับคือบเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เรื่นแคนที่เลี้ยงอยู่ลานนี้เป็นทูกข์ไม่รับคุณเหมือนกับเป็นเหมือ น, นกับเป็นพระอรหรันต์ยังใครที่มีพระคุณกับเราเนี่ยเราถือว่าเป็นพระอรหันต์ของเราได้ ใครเลี้เราก็ได้ใครให้กำเนิดเราก็ได้เอามีพระกุณเพราะไม่มีเขาแล้วเราจะไม่มีเราเลยคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับการฟังเทศได้ข้อธรรมต่างๆเราสามารถใช้ข้อธรรมต่างๆทําให้จิตว่างได้ไหมครับก็ต้องเอามาปฏิบัติไงข้อธรรมก็คือส ต, ติเราต้องการให้จิตว่างเราก็ต้องใช้เจริญสติควบคุมความคิดปรุงแต่งเพราะเราอยู่ความคิดปรุงแต่ง จิตก็จะว่างกั้นมาสาทุ่มครึ่งครับอาจารย์ขอโอกาสกับผมวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟซห้อหกสสามในยูหก้หกสิบสามในคลับหในติ๊กตอกเจ็ด้อยสามสิบห้าครับรวมสองพันหกสิเจ็ดคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังสนทนาธรรมกัน หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพราะจะยื่งนั่นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมต่อไปการสนทนาธรรมตลอดคืนนี้ทนะ่าคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงมีนําในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไป พ, พลินพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ ก็ขอลาคุณหมอแนละท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอจรนญพอย์อกับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ